วันนี้ไปกองอยู่ข้างหลังกันหมดเลยนะคะจะเปลี่ยนใจขยับขึ้นมาไหมคะ <c oughs> หรือตรง น, นั้นบรรยากาศดีแล้วยังไงก็ได้ยินใช่ไหมคะ <st> ก็สวัสดีอีกครั้งนะคะดีใจที่ได้พบทุกคนแล้วก็ได้มานมัสการด้วยกันนะคะกับทุกๆคนนะคะ <S <s เดือนกุมภาอย่างที่บอก <S <s เป็นเดือนแห่งความรักนะคะ เป็นเดือนแห่งความรักของชาวโลกนะคะคริสเตียนไม่มีเดือนแห่งความรักแต่เรามีความรักในทุกๆวันพระเจ้าทรงยิ่งใหญ่นะคะพระองค์ประทานความรักแก่เราไม่เคยหยุดแล้วก็ไม่เคยน้อยลงนะคะแต่ความรักของเรากับเพื่อนมนุษย์ไม่ใช่เรื่องง่ายใช่ไหมคะอย่างไรก็ตามดิฉันเชื่อว่าเพราะเรารักพระองค์เราจึงรักเพื่อนมนุษย์นะคะ หัวข้อเทศนาในวันนี้ก็คือเพราะเรารักพระองค์นะคะขอร่วมใจกันอธิษฐานขอการทรงนำจากพระเจ้าด้วยกันก่อนสาธุการพระเจ้าพระบิดาผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดพระเจ้าแห่งความรักความรักของพระองค์อดทนนานและประทานคุณให้แก่คนบาปเช่นเราเสมอ ขอพระองค์สอนเราในทุกๆวันให้รับความรักของพระองค์ให้รักพระองค์มากยิ่งยิ่งขึ้นและแบ่งปันความรักไปให้เพื่อนมนุษย์ที่น่ารักและไม่น่ารักได้ขอพระวิญญาณบริสุทธิ์สถิตท่ามกลางพวกเราอภัยบาปและชำระให้เราบริสุทธิ์เพื่อการนมัสการพระองค์ขอทรงปลอบประโลมและเยียวยาทุกหัวใจที่บอบช้าให้เติมเต็มด้วยพระวจนะของพระองค์ในวันนี้มอบที่ประชุมนี้ไว้ในการทรงนำของพระองค์กราบทูลทุกสิ่งในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า <Amen. S 2> <Amen. S 1> เดือนที่แล้วคริสตจักรกําหนดให้เป็นเดือนแห่งความรักของพระเจ้านะคะเดือนกุมภาเป็นเดือนความรักแห่งเพื่อนมนุษย์นะคะไม่ทราบว่าจะเป็นการเหมารวมไปไหมนะคะว่าถ้าจะบอกว่าเมื่อมาเป็นคริสเตียนเนี่ยสิ่งที่เปลี่ยนไปอย่างหนึ่งก็คือเราอินกับเพลงรักอินกับนิ ย, ยรักน้อยลงคือถ้าร้องเพลงโลกของชาวโลกนะคะก็จะร้องแบบ เพราะว่ามันจังหวะสนุกหรือว่าเพราะมันไพเราะนะคะถ้าอ่านนิยายก็อ่านเพียงเอาเพลินนะคะแทบจะไม่แตะเลยนะแต่จะไม่รู้สึกอินเหมือนตัวเราเป็นนางเอกตัวเราเป็นส่วนในเพลงนั้นในนิยายเล่มนั้นเหมือนเดิมนะคะประเภทว่าฉันนี่แหละเป็นนางเอกที่น่าสงสารที่สุดเลยอกหักนะคะแสนเศร้านะคะฉันรักเธอเธอไม่รักฉันประมาณนี้สิ่งเหล่านี้มันหายไปนะคะมันต่างไปจากเดิม เพราะว่าทุกความรักของเราที่อยู่ในชีวิตของเราชีวิตใหม่ของเราเนี่ยมันมีพระองค์พระเจ้าเข้ามามีส่วนนะคะแล้วเราก็เข้าส่วนในความรักของพระองค์ตลอดนะคะแน่นอนนะคะที่พระเจ้าเป็นผู้ออกแบบความรักทุกประเภทนะคะและพระองค์มีความรักแบบเดียวที่พระองค์เป็นนะคะพระเจ้าเป็นพระเจ้าแห่งความรักนะคะ เราได้ยินกันอยู่เสมอแล้วก็พระคำภีก็ยืนยันนะคะรวมทั้งประสบการณ์ของเราระหว่างเรากับพระองค์เมื่อให้พระองค์ไปศูนย์กลางชีวิตสิ่งที่เราสัมผัสได้เสมอนะคะจนแน่ใจก็คือความรักของพระเจ้านะคะพระองค์ไม่ได้ให้เราปฏิเสธความรักรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งเลยแต่พระองค์มีความรักแบบที่ต้องการให้มนุษย์ไปถึงนะคะ เพื่อมอบแก่เพื่อนมนุษย์ด้วยกันยิ่งเราทําได้เข้าใกล้ความรักที่พระองค์สอนเราก็ยิ่งมีสันติสุขเราก็ยิ่งมีความสุขช่างเป็นพระคุณซอนพระคุณนะคะเพราะว่าถึงแม้ไอความพยายามนั้นมันจะมากหรือเหมือนดูจะทําเพื่อคนอื่นให้อภัยคนอื่นรักคนอื่นแต่จริงๆแล้วสิ่งที่ได้คือกลับมาที่ตัวเรานะคะเราถึงเรียกว่าพระคุณซ้อนพระคุณนะคะเป็นเรื่องที่น่าอัศจรรย์ไม่มีพระใดในโลกทําได้นะคะ เดือนนี้คือเดือนกุมภาพันธ์ทั่วโลกพูดถึงไปในทางเดียวกันก็คือเป็นเดือนแห่งความรักนะคะเดือนซึ่งทําให้ดอกไม้ชนิดหนึ่งแพงขึ้นมาริบรี่วเลยนะคะก็คือดอกไม้ที่นิยมก็ดอกกุหลาบใช่ไหมคะวันนี้ก็เลยเห็นเป็นช่วงบ่ายด้วยก็เลยอยากจะเล่าเรื่องดอกกุหลาบให้ฟังนะคะ ใครเคยเรียนเรียนเรื่องพัฒนาพาทาบ้างคะมัทนาพาทานะคะหรือตำนานแห่งดอกกุหลาบไม่เคยได้ยินเลยเหรอกคะ่ะไม่มีใคร <c oughs> วรรณกรรมนี้เป็นพระราชนิพนธ์นะคะของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะมัทนาพาทาแปลว่าอะไรรู้ไหมคะแปลว่าความเจ็บปวดและความเดือดร้อนเพราะความรักอืม <c oughs> นะคะ เป็นวรรณกรรมที่ชี้ให้เห็นโทษของความรักเป็นความรักแบบแนวอีโรติกนะคะบทเด่นๆที่ติดปากกันในเรื่องนี้เราน่าจะได้ยินนะคะความรักเหมือนโรคาบรรดาลตาให้มืดมนไม่ยินและไม่ยนอุปสรรคใดๆความรักเหมือนโคถึกกำลังคึกผีขังไว้ก็โลดออกจากคอกไปบอยอมอยู่นที่ขัง ถึงหากจะผูกไว้ก็ดึงไปด้วยกําลังยิ่งห้ามก็ยิ่งคลั่งบ่หวนคิดถึงเจ็บกายเคยได้ยินไหมคะน่าจะเคยกันบ้างนะคะก็ไม่ได้น่าเด็กมากกันเท่าไหร่นะมัธนาาทาเนี่ยเป็นเรื่องที่ถูกแต่งขึ้นนะคะไม่ใช่เรื่องจริงนะคะรัชกาลที่หนะคะเป็นคนแต่งนะคะเป็นเรื่องของเทพประบรุหรือเทวดานะคะชื่อสุเทพนะคะ เขาหลงรักนางฟ้าที่ชื่อว่านางมัทนานะคะมัทนาเป็นนางฟ้าแสนสวยนะคะเขารุ่มหลงทีเดียวนะคะแต่ว่าเพราะนางมัทนาเนี่ยไม่เคยหลงรักสุเทศเลยนะคะไม่ว่าตอนมีสติหรือไม่มีสติที่พูดอย่างนี้เพราะว่า <c oughs> เพราะว่านางเทพประบุสุเทศเนี่ยนะคะเขาได้ให้นักวิทยาธร อ, องหนึ่งต น, ตนหนึ่งไปใช้มนเวทมนคาถา ไปหลอกใช้เวทมนต์สะกดนางมัทนาเนี่ยให้เดินมาหาเพื่อที่จะสารภาพรักแล้วก็ด้วยความเบลเบลแบบไร้สติอย่างนั้นนะคะอยากได้ยินความรักจากนางมัทนาแบบเบลเบปรากฏว่ามนต์คาถาทําอะไรไม่ได้ค่ะนางมัทนาตอบตอบทุกคําถามเลยแต่ไปตอบอย่างเช่นเทพบุตรบอกว่าเรารักเจ้าเจ้ารักเราไหมนางมัทนาก็จะตอบว่าถ้าเจ้าให้เรา ตอบว่ารักเราก็จะตอบว่ารักอย่างนี้ทุกคำถามเลยนะคะจน เ, เทพประบรสุเทพเนี่ยโกรธนะคะก็หันไปถามหันไปถามนักวิทยาธรว่าทำไมทาไมถึงไม่ได้ผลเลยเวทมนี้นักวิทยาธรก็บอกว่าเวทมนต์ทําได้แต่เพียงให้ผูกมัดให้เดินมาหาแต่ไม่สามารถแก้สิ่งที่อยู่ในใจ คือเฉลยสิ่งที่อยู่ในใจนั้นได้หรือเปลี่ยนแปลงสิ่งที่อยู่ในใจของเจ้าของล่างนั้นได้นะคะก็ทําอะไรไม่ได้นะคะเทพบุตรก็เลยสาบเลยค่ะสาบให้นางมัท น, นากลายเป็นกลายเป็นดอกกุหลาบนี่คือที่มาของตำนานดอกกุหลาบนะคะให้มาเป็นดอกกุหลาบในโลกมนุษย์นะคะโดยมีคําสาบว่ามีคํำสาบกํากับไว้นะคะประทับตาไว้ว่า ให้นางมัท น, นาเป็นคนได้วันเดียวคือวันเพนวันพระที่พระจันทร์เต็มดวงนะคะแล้วก็จะเป็นคนได้ถาวรต่อเมื่อมีความรักแท้จริงเท่านั้นแล้วก็กํากับไว้อีกว่าว่าถ้าเมื่อไใดที่ทนทุกข์กว่าความรักให้กลับมาอ้อนวอนต่อเทพบุตรสุเทพนะคะพอเขาได้ลงมากลายมาเป็นดอกกุหลาบในที่ที่หนึ่งที่ลือศีนะคะเป็นคนเลี้ยงเลี้ยงดูดอกกุหลาบนั้นนะคะ วันหนึ่งก็มีกษัตริย์องค์หนึ่งชื่อเท้าชัยเสนนะคะอันนี้มันเป็นเรื่องสนุกนะคะอย่าเพิ่งหลับเ <laughs> ท้าเท้าท้าชัยเสนนะคะเขาก็มาล่าสาตัต ว, ก ว, ะะวก์ก็เลยตกหลุมรักตกหลุมรักแล้วก็เจอนางมัทนาในวันเพ็ญพอดีนะคะเขาสวยมากก็เลยตกหลุมรักแล้วนางมัทนารักตอบค่ะก็เลยพ้นจากคำสาปนะคะแล้วก็ได้เสียกันนะคะ แต่ว่านี่ก็คือเรื่องของรักของโลกนะคะไม่ได้มีศิลธรรมอะไรมากมายนะคะเท้าชัยเศนมีมเหสีอยู่แล้วค่ะ ม, ะมะเหสีก็เลยต้องกโกรธนะคะโกรธที่โกรธที่เท้าชัยเศนเนี่ยไปไปรับนางมัทนามาเป็นภรรยาอีกคนหนึ่งนะคะก็เลยใส่ร้ายค่ะใส่ร้ายว่าว่านางมัทนาเนี่ยแอบรักกับทหารเอกของเท้าชัยเศนนะคะเท้าชัยเสนก็หูเบาหูเบา ทั้งสองคนเกือบโดนประหารนะคะทั้งสองคนเสียใจมากเพราะว่าไม่ได้เป็นชู้กันอย่างที่ถูกใส่ร้ายนะคะก็เกือบจะฆ่าตัวตายนะคะแต่ว่ามีอํามรรคคนนึงเนี่ยช่วยให้สองคนนี้ได้หลบหนีออกไปก่อนนะคะแต่แล้วแล้วนางมัท น, นาก็เมื่อเมื่อเขาประจกศพปัญหาในความรักเขาก็อ้อนวอนให้เทพบุตรสุเทพเนี่ยลงมาช่วยเทพบุตรสุเทพดีใจมากเลยได้โอกาสเป็นฮีโร่ของนางมัท น, นาแล้วนะคะก็ ลงมาช่วยนะคะแต่ปรากฏว่านางวัฒ น, นาไม่ได้เปลี่ยนใจเลยไม่รักไม่ได้รักเลยนะคะนางวัฒ น, นาก็เทพบระมุสุเทพไม่รู้จะทํำยังไงสาบอีกค่ะทีนี้สาบให้เป็นดอกมาดอกกุหลาบถาวรเลยนะคะไม่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เปลี่ยนและไม่ได้ไม่มีการแก้คํำสาบแล้วนะคะ ขาวชัยเสนเองก็มาพิราบรำพันว่าทําไมเราหูเบาอย่างนี้นะคะกลายเป็นต้องมาต้องมาพอดรักกับดอกกุหลาบแทนที่จะพอดรักกับนางมัทนานะคะเขาก็เราก็เลยเอาดอกกุหลาบนี้ไปปลูกในอุทยานนะคะดอกกุหลาบนี้ก็เลยฤาษีคนที่ดูแล ก, ก็อวยพรดอกกุหลาบนี้ให้ให้ดอกไม้ชนิดนี้ดำรงอยู่ในโลกนี้อย่างไม่มีวันสูญพันนะคะแล้วก็ให้มันมีกลิ่นที่สามารถช่วยดับทุกข์ในใจ แล้วก็โดนบันดาลให้จิตใจเบิกบานได้นะคะแล้วก็พอช่วงต่ อ, ตอมาเนี่ยดอกกุหลาบก็เลยใช้เป็นสัญลักษณ์แห่งความรักระหว่างชายหนุ่มกับหญิงสาวจนถึงปัจจุบันนะคะที่เราเล่าเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องประโรมโลกนะคะเป็นเรื่องที่คือเราคริสเตียนบางทีเราไม่ค่อยได้ไปสัมผัสแลเ้เราเราเราส่วนมากเราจะมีเรื่องของความรักของพระเจ้าเรื่องของอะไรเราก็ออกนอกทางบ้างนิดนึง ขี่ม้าชมสวนเด็ดดอกไม้อะไรบ้างนะคะที่เล่ามาทั้งหมดเนี่ยเพื่อเป็นแค่ตัวอย่างนะคะเรื่องของอดอกกุหลาบแล้วก็เกี่ยวพันกับความรักในวัน ว, เวนาเลนไทน์นี้นะคะเราแต่เราเบื่อแล้วเราไม่อยากฟังเรื่องของ ว, เวาเลนไทน์นะคะแล้วก็ทุกอย่างเนี่ยเพื่อเป็นตัวอย่างของความรักแบบอ e ีโรสนะคะซึ่งเป็นความรักที่สังเกตไหคะเป็นความรักที่ต้องการให้ได้มาอย่างเดียวนะคะแล้วก็เป็นรักที่เกี่ยวข้องกับความใคร่ เป็นความรักที่มีการดึงดูดระหว่างหญิงกับชายนะคะจริงๆแล้วความรักในที่เป็นภาษากรีกที่ปรากฏในพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิมเนี่ยมีอยู่4คํคำนะคะเราถ้าเรามาฟังเทศนาเช้าบ่ายเช้าบ่ายหรือฟังในเนี่ยทุกครั้งเนี่ยต้องเจอ4คํคำนี้นะคะคำแรกก็คืออ e ีลอสนั่นนะคะที่อธิบายไปนะคะคำที่2ก็คือฟิลิออสนะคะ เป็นความรักแบบง่ายๆความรักนี้เป็นความรักแบบมิตรภาพเพื่อนฝูงต่อเพื่อนฝูงนะคะเป็นความรักที่มนุษย์ต้องการในระดับที่ในระดับการได้รับการยอมรับในสังคมแค่นั้นนะคะคำกรีกต่อไปก็คือคําว่าสตอรเก้นะคะเป็นความรักที่พัฒนาขึ้นมาตามกระบวนการบางอย่างเช่นกระบวนการของความผูกพันอย่างเช่นความรักแบบพี่น้องความรักแบบเพื่อนสนิทความรักแบบ พ่อแม่ลูกนะคะอันนี้เป็นความรักระดับสัญชตาตญาณนะคะแล้วก็ยังเป็นระดับความรักที่เห็นแก่ตัวอยู่เราอาจจะเถียงในใจว่าความรักพ่อแม่ลูกเห็นแก่ตัวยังไงนะคะแต่เราคงไม่เถียงว่าเราหวังผลตอบแทนทางอารมณ์มาเกี่ยวข้องเรารักลูกเราก็อยากให้ลูกดูแลเราเราอยากอยากให้ลูกรู้ว่าเรารักนะคะมีการตอบแทนทางด้านอารมณ์นะคะ แต่ความรักสุดท้ายคือความรักอากาเป้นะคะความรักอากาเป้เป็นความรักที่ได้รับการอธิบายความหมายในพระธรรมโคลินบทที่ 13, ข้อสี่นะคะซึ่งพี่น้องคริสเตียนเนี่ยจะได้ยินกันบ่อยมากนะคะโดยเฉพาะในงานแต่งงานถึงแม้ว่าบริบทมันจะไม่ใช่นะคะความลองอ่านพร้อมๆกันนะคะพระธรรมโคลินบทที่ 13, บาข้อสี่นะคะให้มันฝังเข้าไปในใจเลยค่ะ ความรักนั้นก็อดทนนานและมีใจปราณีความรักไม่อิจฉาไม่อวดตัวไม่หยิ่งพยองไม่หยาบคายไม่เห็นแก่ตัวไม่ชุนเฉียวไม่ช่างจดจําความผิดไม่ชื่นชมยินดีในความอธรรมแต่ชื่นชมยินดีในความจริงความรักทนได้ทุกอย่างเชื่ออยู่เสมอมีความหวังและความทอรหดอดทนอยู่เสมอนั่นเองความรักแบบนี้เป็น ความรักที่พระเจ้าต้องการให้เราเป็นให้ได้นะคะความรักแบบอากเาเป้เป็นความรักที่เราต้องให้พระเจ้าเข้ามาช่วยเพราะว่าเป็นความรักที่ต้องมีให้แม้แต่คนที่เราเกลียดชังนะคะทาไมถึงเชื่อว่าพระเจ้าให้เรามีความรักแบบอากเาเป้เพราะในพระธรรมส่วนที่บอกว่าพระเจ้าเป็นความรักนั้น ใช้คําว่าอากาเป้ค่ะไม่เคยใช้คําว่าอ e ีลอสไม่เคยใช้คําว่าฟิลิออสไม่เคยใช้คําว่าสต็อกเก้นะคะใช้คําว่าอากาเป้แล้วคําสั่งที่เราให้รักเพื่อนมนุษย์ก็เป็นคําสั่งรักความคําที่ใช้ในความรักก็ต้องใช้แบบอากาเป้เท่านั้นเหมือนกันเพราะฉะนั้นจึงสรุปได้เลยค่ะว่าพระเจ้าคาดหวังให้เรามีความรักแบบอากาเป้กับเพื่อนมนุษย์นะคะ หลังจากที่เรารู้จักความรักในแบบต่างๆในโลกนี้แล้วก็เราได้ทราบแล้วว่าความรักแบบอากาเซเป็นความรักที่เป็นเป้าหมายในชีวิตคริสเตียนตามพระประสงค์ของพระองค์นะคะความรักนี้มีไว้เพื่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันไม่มีข้อยกเว้นเลยที่พระเจ้าจะให้เราไม่รักนะคะพระองค์ไม่ม่ไม่มีแน่นอนที่จะสั่งว่าคนนี้ไม่ต้องรักคนนี้คนนี้ไม่ต้องรักคนนี้นะคะไม่มีเลยนะคะไม่ว่าเขาจะดีจะเลวกว่าเราแค่ไหนพระองค์มีพระประสงค์เดียวคือให้เรารักนะคะ เราต้องรักเพื่อนมนุษย์เพราะอะไรนะคะในพระธรรมยอนหนึ่งนึ่ยอนนะคะบทที่4ข้อ7จข้อ8กล่าวไว้ว่าท่านที่รักทั้งหลายขอให้เรารักกันและกันเพราะว่าความรักมาจากพระเจ้าและทุกคนที่รักก็เกิดจากพระเจ้าและรู้จักพระเจ้าผู้ที่ไม่รักก็ไม่รู้จักพระเจ้าเพราะว่าพระเจ้าทรงเป็นความรักนะคะพระเจ้าทรงเป็นความรักเราจึงต้องรักนะคะ หนึ่งยอนบทที่ 4: ี่ข้อสิบบอกว่าฉะนั้นเราจึงรู้และวางใจในความรักที่พระเจ้าทรงมีต่อเราพระเจ้าทรงเป็นความรักและผู้ที่อยู่ในความรักก็อยู่ในพระเจ้าและพระเจ้าก็ทรงอยู่ในคนนั้นคนนั้นนะคะพระเจ้าเป็นความรักพระองค์เป็นเป็นความรักเมื่อเราเป็นลูกของสิ่งที่เป็นความรักเราก็ต้องเป็นความรักด้วยเราเราเป็นส่วนหนึ่ง พระองค์เป็นส่วนหนึ่งของเราเราเป็นส่วนหนึ่งของพระองค์นั่นคือส่ว น, ว น, วนมีส่วนกันในความรักนะคะจากข้อพระธรรมดังกล่าวบอกเราว่าความรักเป็นเครื่องบ่งบอกว่าผู้นั้นเป็นฝ่ายพระเจ้านะคะเพราะว่าความรักมาจากพระเจ้าเท่านั้นด้วยเหตุนี้ทุกคนที่รักก็บังเกิดมาจากพระเจ้าและผู้นั้นก็รู้จักพระเจ้านะคะความรักเกิดจากลักษณะชีวิตที่ถูกสร้างใหม่ และเกิดจากการสามัคคีธร MM รมกับพระเจ้านะคะไม่ไม่ไม่ใช่เกิดจากมันเตมิมเต็มด้วยกันเราเป็นส่วนของพระเจ้าอยู่แล้วเราเป็นลูกพระเจ้าเราเป็นพระเจ้าเป็นความรักเราก็เป็นความรักแต่ว่าเนื่องจากเราถูกสร้างใหม่ด้วยแล้วก็เราเกิดกาสามัคคีธรรมกับพระเจ้าแล้วเรารู้จักพระองค์เราก็จะเป็นยิ่งยิ่งมีความรักยิ่งขึ้นนะคะเป็นเครื่องบ่งบอกเลยว่าเราอยู่ฝ่ายพาระเจ้าแน่นอนถ้าเรามีความรักนะคะ ผู้ที่ไม่มีความรักย่อมแสดงว่าเขาไม่รู้จักพระเจ้าเพราะพระเจ้าทรงเป็นความรักการมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดสนิทใกล้พระองค์เท่านั้นนะคะที่จะก่อให้เกิดพัฒนาความรักในผู้เชื่อได้นะคะเราได้รับความรักจากพระองค์มากมายขนาดไหนเคยเคยเค ย, เคยทบทวนกันไหมคะวันนี้เราลองสำรวจใจของเราดูนะคะว่าความรักที่เราได้จากพระเจ้าเนี่ย เหมือนคนเหมือนความรักจากสิ่งอื่นๆหรือคนมนุษย์ด้วยกันให้เราไหมนะคะแล้วมันล้นมากพอที่เราจะความรักที่เราได้รับเนี่ยมันล้นหรื อ, อยังล้นที่จะพร้อมที่จะไปให้คนข้างๆหรื อ, อยังนะคะล้นที่จะไปให้เพื่อนรอบข้างที่เรารู้จักและไม่รู้จักหรื อ, อยังนะคะความรักของพระองค์นั้นทําให้เรารักพระองค์มากขึ้นไหมนะคะเราอยากที่จะรักพระองค์กันไหมคะ อยากที่จะรักพระ อ, องค์มากเท่าที่พระ อ, องค์รักเราไหมนะพระ อ, องค์รักเราเรารักพระ อ, องค์เพราะเรารักพระ อ, องค์เราจึงรักเพื่อนมนุษย์นะคะเมื่อเรารักพระ อ, องค์เราจึงอยากทําตามทุกสิ่งนะคะถ้าใครยังไม่รักพระ อ, องค์เราพัฒนาได้นะคะเราเมื่อเรารู้ว่าพระ อ, องค์ทํำยังไงทําให้ความรักกับเรามากแค่ไหนเราจะรู้สึกว่า อเราไม่ไม่เพียงพอเลยที่เราจะรักพระองค์กับนะคะเมื่อเรารักพระองค์ได้มากแค่ไหนเราก็อยากจะทำตามทุกสิ่งที่พระองค์มีพระประสงค์ในชีวิตนะคะเราบอกใครๆได้เต็มปากหรื อ, อยังว่าเรารักพระองค์นะคะเราทุกคนลั่นวาจากับพระองค์ไว้ว่าเราจะเป็นสาวกของเรานะคะอย่าลืมว่าวันที่เรารับเชื่อเราบอกว่าเราจะติดตามพระองค์นะคะเมื่อเราเป็นบุตรของพระเจ้าแห่งความรัก เราก็เข้าส่วนในพระองค์เพราะพระองค์รักเราเรารักพระองค์เราก็รักเพื่อนมนุษย์นะคะชี้ให้เห็นว่าความรักแบบมนุษย์ของเราได้มาอย่างไรนะพระธรรมพระธรรมข้อที่จะมาถึงเราวันนี้ก็คือพระธรรมหนึ่งยอห์นบทที่ห้าข้อหนึ่งถึงข้อสามนะคะพระธรรมข้อนี้จะชี้ให้เห็นว่าความรักแบบมนุษย์ของเราได้มาอย่างไรนะคะแล้วได้มาแล้วเราต้องไปทํำยังไงกับมันนะคะอ่านพระธรรม 1. ยอมวันที่5ข้อหนึ่ง 3, ด้วยกันนะคะหนึสองสผู้ใดเชื่อว่าพระเยซูทรงเป็นพระคริสต์ผู้นั้นก็เกิดจากพระเจ้าและผู้ใดรักพระองค์ผู้ทรงให้กำเนิดผู้นั้นก็รักคนที่เกิดจากพระองค์ด้วยโดยข้อนี้เราจึงรู้ว่าเรารักคนทั้งหลายที่เป็นบุตรของพระเจ้าเมื่อเราทั้งหลายรักพระเจ้าและประพฤติตามพระบัญญัติของพระองค์ เพราะนี่แหละเป็นความรักต่อพระเจ้าคือที่เราทั้งหลายประพฤติตามพระบัญญัติของพระองค์และพระบัญญัติของพระองค์นั้นไม่เป็นภาระพระธรรมนี้บอกเราสี่เรื่องนะคะตามตรงตามอักษรเลยนะคะข้อหนึ่งก็คือผู้ใดเชื่อว่าพระเยซูทรงเป็นพระคริสต์ผู้นั้นก็เกิดจากพระเจ้าข้อสองผู้ที่รักพระเจ้าผู้ให้กาเนิด จะต้องรักผู้ที่เกิดจากพระองค์ข้อ3คือการประพฤติตามบัญญัติของพระองค์เป็นการแสดงความรักต่อพระเจ้าและข้อสุดท้ายคือพระบัญญัติของพระองค์นั้นไม่เป็นภาระนะคะเรามาดูกันที่ข้อแรกกันก่อนนะคะข้อแรกผู้ใดเชื่อว่าพระเยซูทรงเป็นพระคริสต์ผู้นั้นเกิดจากพระเจ้านะคะเมื่อเราเชื่อในพระคริสต์พระองค์ทรงชําระผู้เชื่อทุกคนใช่ไหมคะ เรากำเนิดใหม่แล้วโดยพระเจ้านะคะการบังเกิดจากพระเจ้าทําให้เรากลายเป็นบุตรของพระองค์ยอห์นบทที่3ข้อหบอกว่าพระเยซูตรัสว่าเราบอกความจริงแกับท่านว่าถ้าผู้ใดไม่ได้บังเกิดใหม่จากน้ำและพระวิญญาณผู้นั้นจะเข้าในแผ่นดินของพระเจ้าไม่ได้เราเกิดจากพระองค์แน่นอนนะคะเกิดจากพระวิญ ญ, ญาณนะคะการเชื่อฟังพระวิญญาณจึงเป็นการบ่งบอกอย่างดีว่าเราได้รับบัพติสมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้ว เมื่อไรก็ตามที่เราเชื่อว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้าเราย่อมไม่กล้าละเมิดต่อพระองค์นะคะเราเกิดจากพระเจ้าพระเจ้าเป็นความรักเราย่อมต้องเข้าส่วนในความรักปฏิเสธไม่ได้นะคะเราจะเป็นคนใจร้ายไม่มีรักไม่รักใครไม่ได้นะคะเป็นไฟบังคับนะคะเพราะว่าพ่อของเราเป็นพระเจ้าแห่งความรักนะคะข้อสองผู้ที่รักพระเจ้าผู้ให้กําเนิดจะต้องรักผู้ที่เกิดจากพระองค์ เมื่อพระเจ้าเป็นพระบิดาเราก็เป็นพี่น้องกับทุกๆกคนเพราะว่าเรามีพ่อเดียวกันใช่ไหมคะการรักพระเจ้าก็ต้องหมายถึงการรักพี่น้องด้วยเราคงไม่รักเฉพาะพ่อเราแล้วเราไม่รักพี่น้องเราพ่อเราคงไม่ได้พอพ อ, พอใจนะคะคนที่ในบังเกิดใหม่ในพระคริสต์ก็คือพี่น้องในพระคริสต์เราก็จาเป็นต้องรักเขาเป็นสิ่งที่เราต้องตรักในใจและในทางปฏิบัติเราจะต้องรักด้วยความจริงใจนะคะ ไม่ว่าเขาจะน่ารักหรือไม่น่ารักเราต้องมีความพยายามแต่ความพยายามนั้นมันไม่สามารถทำได้ด้วยตัวเราคะเราเราต้องอาศัยกำลังจากพระองค์ในการที่จะขอให้เราเปลี่ยนแปลงให้เรารักเขาได้เหมือนที่พระองค์รักคนที่นำพระองค์ไปสู่ความมรณานะคะพระองค์ไม่เคยไม่รักใครเลยแม้แต่คนที่จะฆ่าพระองค์นะคะ การที่3ก็คือการประพฤติตามบัญญัติของพระองค์เป็นการแสดงความรักต่อพระเจ้านะคะข้อนี้บอกเลยนะคะเราจะมีความรักโดยเป็นนามธรรมไม่ได้ความรักเนี่ยเป็นคุณลักษณะที่แสดงออกทางพฤติกรรมนะคะเราจะรู้รู้ได้ไงว่าคนนี้รักเราหรือเราจะให้เขารู้ได้ไงว่าเรารักเขานะคะ เราแค่มองตาอย่างเดียวหรือเปล่าคะมองตาทุกวันทุกวันให้เขารู้ว่ารักไม่ใช่เลยนะคะเราต้องออกมาเป็นพฤติกรรมนะคะวิธีการแสดงความรักของเราต่อพระเจ้าที่ชัดที่สุดจึงเป็นการประพฤติตามบัญญัตินะคะและหนึ่งในบัญญัตินั้นคือการรักซึ่งกันและกันคือการรักพี่น้องนะคะเรากําลังทําตามบัญญัตินะคะเราไม่ได้ทําตามใจตัวเองในการที่เราตัดสินใจที่จะรักเพื่อนบ้านนะคะเรา ทำตามบัญญัติเพราะเรารักพระองค์แล้วเรารู้ว่าพระองค์รักเรานะคะมันเป็นการพฤติกรรมที่เราแสดงความรักต่อพระเจ้านะคะข้อเนี้ยมันจะช่วยให้เราทำได้ง่ายขึ้นเพราะเราไม่ได้ทำเพื่อตัวเราเราทำเพราะเรารักพระองค์นะคะพระองค์ทรงประสงค์ให้เราประพฤติตามบัญญัติทั้งหมดพระเจ้าไม่ได้ให้เราเลือกว่าเราจะพอใจตามทำตามบัญญัติข้อใดนะคะ แล้วก็ไม่ทำข้อใดนะคะถ้าเราทำบัญญัติของพระเจ้าได้เกือบทั้งหมดแต่ผิดเพียงข้อเดียวก็เท่ากับผิดทั้งหมดพระองค์ไม่มีนะคะให้เลือกเลือกทาข้อหนึ่งไม่ทำข้อสองนะคะพระองค์ไม่เคยบอกว่าเราสามารถเลือกพระบัญญัติข้อใดข้อหนึ่งได้เพราะฉะนั้นอย่าเข้าข้างตัวเองนะว่าข้อนี้เอาไว้ก่อนนะคะ อ, อยังไงก็ต้องทำนะคะเพราะบัญญัติรัก เพื่อนบ้านเหมือนรักตัวเองที่ mm. ลำบากใจที่สุดก็คือรักคนที่เขาไม่รักเรารักคนที่เขาร้ายกับเรานะคะรักคนที่เขาใส่ร้ายเรานะคะก็ mm. okay. <Thank> ขอให้หนึกไว้ว่าอันนี้เรากําลังทําตามพระบัญญตัติและเรากําลังแสดงความรักต่อคนที่รักเรามากเหลือเกินนะคะเราจึงต้องทําให้ได้นะค ะ, cùng, ะ, คะแล้วก็อาศัยให้พระองค์ช่วยเรานะคะเพราะสี่พระบัญญัติของพระองค์นั้นไม่เป็นภาระนะคะ การประพฤติตามบัญญัติของพระเจ้านั้นจะเป็นธรรมชาติในชีวิตของเรานะคะไม่ใช่ภาระแน่นอนและจะไม่เป็นภาระในชีวิตของเรานี่เป็นสิ่งที่เราจำเป็นต้องใคร้อครวรว่าที่ผ่านมาการเชื่อฟังบัญญัติของพระเจ้านั้นเรารู้สึกว่าเป็นภาระหรือไม่นะคะบัญญัติใครกันแน่ที่เราเอามาแบกทบทวน้วยนะคะการประพฤติตามบัญญัติ ของพระเจ้าไม่เป็นภาระแน่นอนนะคะไม่เหมือนกับกฎจำนวนมากของฟาริสีนะคะเช่นต้องเดินไม่เกินกี่ก้าวในวันสะบาโตต้องไม่ขึ้นลิฟต์ต้อ ง, อองทั้งหลายนะคะต้องไม่เดินเพราะต้องขึ้นลิฟต์แทนอะไรพวกนี้นะคะมีมากมายเลยบัญญัติที่แบกที่เรากำลังแบกอยู่ทบทวนว่าบัญญัตินั้นเป็นของพระเจ้าหรือเป็นของคนที่สร้างให้เราแบกนะคะเพราะว่า บัญญัติของพระเจ้าไม่มไม่ได้เป็นภาระของเราแต่บัญญัติของคนทําให้เราหนักทําให้เราต้องแบกเพราะว่าในมัทธิวนะคะบทที่ยีสข้อสพระเจ้ายืนยันนะคะบันทึกไว้ว่าพระเยซูกล่าวว่าด้วยว่าแอกของเราก็พอเหมาะและภาระของเราก็เบาพระองค์ไม่เคยให้เราแบกเกินสิ่งที่เราทําได้นะคะ ความทนต่อภาระแต่ละคนไม่เท่ากันพงษ์รู้จักเราที่สุดพงษ์จะรู้ว่าเรารับได้แค่ไหนนั่นคือแบกบัญญัติจากพระเยซูนะคะไม่ใช่บัญญัติจากคนมัทธิวบทที่ 9: ก้ข้อสิบอกว่าไม่มีผู้ใดเอาท่อนผ้าทอใหม่มาปะเสื้อเก่าเพราะว่าผ้าที่ปะเข้านั้นเมื่อหดจะทําให้เสื้อเก่าขาดกว้างออกไปอีกผ้าเก่ากับผ้าใหม่ไม่สามารถเข้ากันได้นะคะ ถ้าเรายังเราเป็นคนใหม่แล้วแต่เรายังไปใส่เสื้อเก่าเราไม่ละทิ้งตัวเก่าไม่ละทิ้งสิ่งที่เราเคยทำเราใส่มันสวมสวมเข้าด้วยกันเอาผ้าเก่าผ้าใหม่มาปนกันนะคะวันหนึ่งมันจะขาดเพราะว่าเนื้อผ้ามันไม่เสมอกันนะคะมันจะดึงหลังกันทาให้ผ้านั้นขาดนะคะเมื่อเราเข้ามาเป็นคนใหม่แล้วเราต้องใส่เสื้อใหม่เราไม่มีทางที่จะเอาเสื้อเก่าเข้ามา ตัดเย็บมาเป็นส่วนหนึ่งของเสื้อใหม่ได้เลยนะคะต้องถอดทิ้งนะคะมัทธิวบทที่ข้อ17ก็เช่นกันนะคะเขาไม่เอาน้ำองุ่นหมักใหม่มาใส่ในถุงหนังเก่าถ้าทำอย่างนั้นถุงหนังจะขาดน้ำองุ่นจะรั่วทั้งถุงหนังก็จะเสียไปด้วยแต่เขาย่อมเอาน้ำองุ่นหมักใหม่ใส่ในถุงหนังใหม่แล้วทั้งสองอย่างก็อยู่ดีด้วยกันได้นะคะเหมือนกันกับกรณีที่ผ้าเก่าผ้าใหม่นะคะ ถุงถุงหนังที่บรรจุเล่าองุ่นใหม่ก็เหมาะกับเล่าองุ่นใหม่นะคะไม่สามารถที่จะเอาถุงเก่าที่เรามีอยู่หรือเสื้อผ้าเก่าสิ่งเดิมๆที่เราคุ้นเคยมาใส่กับชีวิตใหม่ที่ได้มาจากพระเจ้าได้นะคะตราบใดที่เรายังดําเนินชีวิตตามชีวิตเก่าของเรานะคะบัญญัติของพระเจ้าก็จะเป็นภาระไม่ใช่เพราะบัญญัติของพระเจ้าเป็นภาระแต่เพราะเราดําเนินชีวิตเก่าของเราค่ะ เราจะรู้สึกเหน็ดเหนื่อยนะคะเราต้องทิ้งชีวิตเก่าเท่านั้นนะคะอย่าไปเสียดายมันทิ้งชีวิตพระองค์จะสอนเราเองว่าเราจะทิ้งอันไหนหรือเราควรจะทํำยังไงนะคะเราเองบางทีเราก็ไม่สามารถคิดได้ว่าอันไหนคือสิ่งที่เราควรจะทิ้งนะคะเราเป็นมนุษย์มีความจํากัดแต่พระเจ้าไม่เคยจํากัดและพระเจ้าเมตตาเราอยู่เสมอที่จะบอกเราอยู่ตลอดว่าอะไรคือ เมื่อเราไม่รู้นะคะอะไรคือสิ่งที่เราจะต้องทิ้งนะคะให้มองภาพของสิ่งที่พระคัมภีร์บอกให้ชัดเจนนะคะแล้วก็พยายามปฏิบัติตามบัญญัติของพระเจ้าอย่างครบถ้วนทุกประการไม่มีบัญญัติข้อใดที่พระเจ้าละเว้นไว้ให้เราว่าไม่ต้องปฏิบัตินะคะไม่ยึดเฉพาะบัญญัติตามเฉพาะส่วนที่ทําได้เท่านั้นนะคะแล้วก็ไม่มองข้ามส่วนที่ทําไม่ได้นะคะเราไม่เว้นวรรคไว้นะคะ อย่าหาข้อแก้ตัวให้กับตนเองเช่นแก้ตัวว่ากําลังรอพระเจ้าเปลี่ยนแปลงชีวิตเรากําลังอยู่ในเวลาแห่งการทรงสร้างของพระเจ้านะคะเพราะมันจะทําให้การละเมิดบัญญัติเป็นเรื่องปกตินะคะเราต้องไม่ยอมกับมันก่อนเราต้องยอมพระเจ้าให้พระเจ้าเปลี่ยนแปลงจริงๆนะคะคือทําเลยทําตามบัญญัตินั้นเลยไม่ใช่ไม่ใช่ว่าให้ข้ออ้างกับตัวเองว่าเดี๋ยวพระเจ้าทําให้เราในสิ่งที่เรายังทําไม่ได้ เรายังโกรธเขาเราทําไม่ได้เราต้องโกรธปุ๊บหาวิธีการกําจัดโกรธเลยเช่นนึกถึงอย่างนี้ฉันเองก็จะนึกถึงคําว่าพระเยซูพระเยซูคือเวลาหน้ามืดโกรธใครขึ้นมานึกทําอะไรไม่ได้ก็พระเยซูก่อนเลยอย่างนี้ค่ะมันต้องมีวิธีของแต่ละคนไปในการที่จะกําจัดบาปนั้นหรือพยายามที่จะทําตามบัญญัตินั้นไม่ใช่ว่าอันนี้ยังแก้ไม่ได้เดี๋ยววันหนึ่งพระเจ้าคงแก้ให้นะคะเราก็อาศัยพระ อ, องค์นี่แหละค่ะ นึกถึงพระองค์แล้วพระองค์ก็ค่อยๆเปลี่ยนเราโดยที่บางทีเราไม่รู้ตัวเลยการเปลี่ยนแปลงที่มาจากพระเจ้าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่อัศจรรย์นะคะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ไม่ทำให้เราเจ็บช้าน้ําใจเป็นการเปลี่ยนแปลงที่นุ่มนวลนะคะบางทีเราไม่รู้เลยด้วยซ้าว่าพระองค์เปลี่ยนเราไปเมื่อไหร่พระองค์เอาความเสียใจจากเราไปเมื่อไหร่ต่างกับตอนที่เราไม่มีพระเจ้านะคะเราเจ็บปวดนานแต่เมื่อเรามีพระเจ้าบางเรื่อง เรากับเจ็บปวดแป๊บเดียวเมื่อเราวางเรื่องนั้นไปกับพระเจ้าให้เราลองดูนะคะใครยังไม่เคยวางมือไว้กับพระเจ้าในปัญหาต่างๆลองสักครั้งนะคะว่าพง์อัศจรรย์ขนาดไหนนะคะแล้วก็ทูลขอนะคะเราต้องทูลขอกำลังจากพระองค์ที่จะทาตามบัญญัติได้ในที่สุดนะคะเราไม่มีปัญญาทำได้ด้วยตัวเองไม่มีจริงๆนะคะเพราะว่ามนุษย์เราจากัดนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของความรัก รักคนที่ทำร้ายเราทั้งที่เขาตั้งใจและไม่ตั้งใจจะทำร้ายนะคะขอให้เรารักเขาให้ได้นะคะความรักชนิดนี้ไม่ใช่ความรักที่เป็นอารมณ์นะคะมันมันเป็นความรักที่มันเกิดขึ้นแล้วเราสามารถให้อภัยเขาได้มันไม่ใช่ต้องแบบไปรักรักแบบดุดดื่มรักแบบอยากจะเอาดอกไม้ไปให้เขาทุกวันไอ้คนที่เกลียดเรามันไม่ถึงขนาดนั้นนะคะแต่ว่าเป็นความรักที่ เราให้อภัยเขาโดยสนิทใจบางทีบางคนมักจะบอกว่าเราไม่ได้เกลียดเขาแต่จริงๆแล้วเราทําดีกับเขาไม่ได้นั่นคือเรายังไม่ได้รักเขานะคะเรายังทําดีกับเขาเท่าที่คนที่เรารักไม่ได้อะคะ่ะคนที่เขาทําำลายเรานั่นก็คือเรายังไม่ได้รักเขาสรุปนะคะความรักมนุษย์ในมนุษย์ของเราเนี่ยได้มาจากพระเจ้าแน่นอนเพราะพระเจ้าเป็นความรักนะคะเพราะองค์เป็นพระเจ้าแห่งความรัก เมื่อเราเชื่อในพระเยซูคริสต์เราเกิดใหม่แล้วนะคะโดยพระองค์นะคะแล้วก็เมื่อพระเจ้าเป็นพระบิดาเราก็เป็นพี่น้องกับทุกๆคนเป็นพ่อเดียวกันเราก็เลยการรักพระเจ้าก็เลยต้องรักหมายถึงการรักพี่น้องด้วยนะคะแล้วก็วิธีการแสดงความรักของเราต่อพระเจ้าที่ชัดที่สุดก็คือประพฤติตามบัญญัติเราต้องแสดงความรักเป็นพฤติกรรมนะคะถึงจะประเมินได้นะคะเวลาที่เราทําสอบน ะ, ะเราประเมิน วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมนะคะไม่ใช่วัตถุประสงค์เชิงเชิงอื่นๆถ้าใครเป็นครูก็จะรู้นะคะว่าเราวัดได้จากพฤติกรรมเราไม่ได้วัดได้จากการคาดเดานะคะแล้วข้อสุดท้ายก็คือการพึ่งตามบัญญัติของพระเจ้านั้นจะเป็นธรรมชาตินะคะในชีวิตของเราและจะไม่เป็นภาระแน่นอนเมื่อไหร่ที่เป็นภาระพิจารณาดูให้ดีว่าเราแ บ, บ่บัญญัติของพระเจ้าหรือเราแ บ, บ่งบัญญัติของคนนะคะเราจะต้องมีการสังเกตชีวิตนะคะ ล้วก็ต้องยอมรับกับพระองค์ว่าเรายังไม่สามารถที่จะรักพี่น้องบางคนได้นะคะยอมรับก่อนอย่าดื้อนะคะแล้วก็เพราะว่าพระเยซูเนี่ยรักทุกทุกคนแม้กับคนที่ทำร้ายพระองค์ถึงความตายนะคะพระองค์ทรงให้อภัยแก่ทุกทุกคนเป็นเรื่องยากมากแต่เป็นสิ่งที่พวกเราจะต้องเรียนรู้และก้าวไปด้วยความเข้าใจวิะนั้นเราจะไม่ใช่ผู้ที่ชนะโลกนะคะ ขอที่เราจะขอพอรจากพระเจ้าเริ่มต้นจากจุดที่เราข้ามไปคือขอพระวิญญาณของพระเจ้าสถิตในชีวิตนะคะกราเทียบทที่5ข้อบอกว่านำเอาตัวเก่าตรึงแล้วดังนั้นเราเองต้องมีใจก่อนค่ะมีใจที่จะปรารถนาจะรับชีวิตใหม่มิฉนั้นเราจะไม่ฆ่าชีวิตเก่าของเรานะคะและเมื่อนั้นชีวิตใหม่จะเกิดไม่ได้จะเป็นเหมือนผ้าเก่าที่ปะผ้าใหม่เพื่อรอวันที่จะฉีกค่ะนะคะก็ ขอพระเจ้าอวยพรพทุกคนแล้วก็หนุนจิตชูใจนะคะพี่น้องทุกๆคนที่จะมีความรักแบบเพื่อนมนุษย์เผื่อแผ่ให้กับคนข้างๆเราทั้งคนที่รักเราและคนที่ไม่รักเราให้ได้นะคะขอกำลังจากพระองค์ขอพระเจ้าอวยพรค่ะ